มีใครอยากจะถามอะไรไหมพออมีไระถา ม, ม, า อ, ามอ่ะข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนอาหารมีหลายชนิดด้วยกันถ้าถ้าเรา ไปร้านอาหารเรามักจะสั่งอาหารที่เราชอบรับประทานกันเนี่ยที่นี่ก็เป็นเหมนร้านอาหารอยากจะฟังทําแบบไหนก็ต้องถามถ้าไม่ถามเดี๋ยวเขาเอาอาหารมาให้กินไม่ถูกปากจะว่าคนเสิร์ฟไม่ได้นะในรานอาหารถ้าบอกว่าเอาอะไรมาก็ได้เดี๋ยวเขาก็เอาติ่งที่เขาอยากเอามาให้ ให้แล้วเดี๋ยวกินแล้วไม่อร่อยก็จะไปโทษร้านอาหารว่าไม่อร่อยเพราะมันไม่ถูกปากเราฉะนั้นการฟังธรรมมันก็ฟังได้สองแบบฟังแบบสั่งต้องการฟังธรรมที่ไหนก็ถามบอกหรือว่าถ้าไม่เช่นนั้นก็แล้วแต่คนขายจะเอามาให้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 ชาภาพก็จัดอาหารไว้ให้เรากินนันบางทีก็เป็นโต๊ะจีนบางทีก็เป็นบุฟเฟ่ธรรมะก็เป็นเหมือนอาหารอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้จิตใจมีความอิ่มน้ำสำราญมีความอิ่มมีความสุขมีความพอไม่หิวโหยทุกวันนี้ใจของพวเราขาดธรรมะกัน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 อยากได้สรรเสริญบ้างอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายบ้างแต่อาหารที่เราอยากได้นี้มันไม่ได้ทำให้ใจเราอิ่มมันไม่ได้เป็นอาหารมันเป็นยาเสพติดยาเสพติดนี่เสพเท่าไหร่พอไหมอิ่มไห ม, มสุรานี่ดื่มไปแล้วขวดเดียวแล้วเลิกดื่มได้ไหนะ ดื่มแล้วก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆบุหรี่สูบแล้วก็ต้องสูบไปเรื่อยๆกาแฟาดื่มแล้วก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆอะไรที่เรา อ, อยากรับประทานหรืออยากทำเนี่ยพอทำแล้วมันก็จะทำให้เราต้องทำไปเรื่ยอยๆอยากได้เงินทองเนี่ยเคยพอแ้วยังเคยอิ่มแล้วยง อยากได้ยอดนี้พอหรื อ, อยังในชั้นนี้ในคันนี้แล้วพอหรื อ, อยัง<ม>อยากได้สรรเสริญพอหรือยัองเราสรรเสริญเรา ม, ามามากน้อยเพียงไรพอหรื อ, อยัง<ม>อยากได้ความสุขทางตา<ม>หูจมูกลิ้นกาย<ม>ได้ดูได้ฟังได้สัมผัสลิ้มรดนมกลิ่นอะไรมามากมายแล้วพอหรื อ, อยังไม่พอ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 ได้กี่ร้านก็ไม่พอใช่ไหม น, น, นั่นแหละนั่นะมันถึงไม่ได้เป็นอาหารถ้าเป็นอาหารกินแล้วมันก็ต้องอิ่มได้มาปั๊บมันก็ต้องพอแล้วได้แค่นี้พอแล้วไม่อยากจะได้มากกว่านี้แล้วถึงเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาหารแต่ใจของเราไม่มีไม่มีคำสอนไม่มีคนสอนให้บอกเราให้รู้ว่า อะไรเป็นอาหารของใจเราก็ไปเลยหลงคิดว่าลาบยศสรรเสริญ <c oughs> ลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขกันให้มีความสุขใจอิ่มใจพอใจสบายใจแต่แทนที่จะพอใจก็ไม่พอและแทนที่จะสุขก็สุขเดียวเพอเวลาที่สิ่งที่เราได้มา จากเราไปก็เสียใจเองทุกใจขึ้นมาเองขณะที่อยู่กับเราเราก็กังวลองกังวลว่าจะจากเมื่อไหร่ยังไม่ทันจากเพียงแต่คิดว่าอาจจะต้องมีการจากกันเช่นมาทํางานที่นี่เดี๋ยวก็ม่รูจะต้องย้ายไปเมื่อไหร่ถ้าไม่อยากย้ายเวลา ย, ย้ายก็ทุกข์อีกนี่คือ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 พอได้มาแล้วก็ต้องมากังวลกับสิ่งที่เราได้ต้องมาคอยดูแลรักษาในเวลาที่เขาจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปเราก็เสียอกเสียใจสรุปแล้วก็คือเรากำลังหาความทุกข์มาใส่ใจเรากันไม่ได้หาความสุขหาความหิวความอยากมาใส่ใจ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 เวลาได้ตำแหน่งมาใหม่ๆก็ดีใจพอสักระยะหนึ่งพอมันชินกับตำแหน่งนี้แล้วมันก็อยากจะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วไม่มีความสุขเหมือนกับตอนที่ได้รับใหม่ๆอันนี้อยากจะได้อีกขั้นหนึ่งสูงขึ้นไปได้เงินมาเท่าไหร่ตอนต้นได้ล้านหนึ่งก็ดีใจ พอได้ล้านหนึ่งแล้วทีดีก็อยากจะได้สิบล้านนะนี่นั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นอาหารของใจเป็นยาเสพติดของใจสิ่งที่เป็นอาหารของใจก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้หากันทรงสอนให้หาบุญกัน บุญนี้เป็นอาหารของใจถ้าได้บุญแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอนี่บุญก็มีหลายหลายระดับระดับง่ายระดับยากระดับง่ายก็ได้น้อยหน่อยระดับยากก็ได้มากหน่อยแล้วเราก็ต้องตายเต้าไปจยาก ขั้นง่ายไปสู่ขั้นยากขั้นง่ายที่สุดก็คือการทําทานการเสียสละแบ่งปันสิ่งของเข้าของเงินทองอะไรที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้อันนี้ก็เอาไปทําบุญกันเอาไป ช่วยเหลือผู้เขาตกทุกได้ยากเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมก็ได้บุญเหมือนกันทำแล้วจะได้ความสุขใจความอิ่มใจสมมุติเรามีเงินก้อนหนึ่งเราจะไปเที่ยวหรือเราจะเอาไปทําบุญผลไม่เหมือนกันจากการใช้เงินเสียเงินก้อนนี้ไป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 เที่ยวนี้เอามาทําบุญมันจะช่วยตัดความอยากไปเที่ยวให้มันน้อยลงไปหรือเอาไปใช้อย่างอื่นเช่นไปซื้อเสื้อผ้าที่เรามีเยอะแยะแล้วซื้อกระเป๋าที่เรามีอยู่หลายใบยแล้วเราเอาไปทําบุญแทนมันก็จะทําให้เราไม่ได้มีเราก็จะตัดความอยากซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าได้ทําให้เรา เวลาไม่มีเงินจะซื้อเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์เวลาไม่มีเงินเที่ยวเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากเที่ยวเพราะเราตัดความอยากเที่ยวด้วยการเอาเงินที่จะไปเที่ยวมาทำบุญแทนอันนี้เป็นการสร้างความสุขใจอิ่มใจให้กับเราแล้วเป็นการสร้าง <c oughs> ความดีให้กับตัวเราทำให้เราเป็นคนดีเป็นคนน่ารักไปไหนก็มีแต่คนเข้าอยากจะต้อนรับคนที่ทำบุญนี่ไปไหนคนที่แจกเ ง, งนินนี่ไปไหนก็มีแต่คนยินดีเราเาเงินไปแจกดูเลยเดินไปแถวสิแถวตลาดแล้วเงินไปแจกดูเดี๋ยวคนก็เดินตามกัน คนที่ไปขอเงินนี่เขาก็หันหลังให้เราทั้งนั้นไปเรียลยัยไปขอเงินจากที่นั่นที่นี่เขาก็ปิดประตูบ้านเห็นเราเดินมาเขาก็ปิดบ้านไม่ต้อนรับแต่ถ้าเราเอาเงินมาจากนี่เขาเรีบเปิดประตูบ้านต้อนรับเราใหญ่คนทาบุญคนใจบุญนี้จะเป็นคนที่น่ารักจะมีคนรักคนทาบุญมีความเมตตา มเมตตก็คือเป็นคนที่มีไมตรีจิตมีความรักผู้อื่นคิดถึงความสุขของผู้อื่นอยากให้คนอื่นมีความสุขจึงทำทาสิ่งที่ทำให้คนมีความสุขเช่นมีอะไรก็ให้กันแบ่งกันเวลาพบกันก็ยิ้มแย้ม ทักทายกันหน้าตาไม่บึ้งตึงถามสาวว่าทุกสุขเด็ดกันสวัสดีสบายดีหรือมีอะไรให้ช่วยเหรือไม่ขาดหรืออะไรเนี่ยลักษณะของคนที่มีความเมตตาแล้วก็ไม่อาฆาตพยาบาทใครใครทาอะไรพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีก็จะให้อภัย ไม่ถือสาไม่โกรธเคืองไม่จองเวรจองกรรมคนอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักคนชอบอย่างในในอนิสง์ของผู้ที่มีความเมตตาี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าผู้ที่มีความเมตตานี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย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 เพียรแค้นอาฆาตพยาบาทมีแต่คนรักนี่เรียกว่าอานิสงส์ของผู้มีความเมตตาจะมีความสุขตื่นก็สุขหลับก็สุขนความเมตตาการทําความดีนี้ทําให้เรามีความสุขการทําบุญให้ทานนี้ทําให้เรามีความสุขเราวันนี้ลองไปปล่อยนกปล่อยปลาดูเลยปล่อยแล้วเราก็จะรู้สึกมีความสุขใจ ว่าถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นนกเป็นปลาถูกขังอยู่ในอยู่ในกรงนี้ล้าได้รับอิสรภาพนี้เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราติดคุกติดตารางเราได้รับพระลอะพระรละาจราญเาภ่ายอย่าโทษออกจากคุกมานี่ยคนที่ติดคุกกับคนที่ไม่ติดคุกนี้อันไหนจะดีกว่ากันมีความสุขไม่ดีใจไม่ได้ออกจากคุกนะ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 ไปซื้อของกลับมาอาจจะเสียใจซื้อมาแล้วของเสียต้องเอาไปเปลี่ยนเอาไปคืนร้านแทนที่จะมีความสุขจากของที่ซื้อมากับไม่มีความสุขหซื้อมาได้ไม่กี่วันเดี๋ยวมีของรุ่นใหม่ออกมาอยากจะได้อีกแล้วของที่ได้มาวันนี้หมดความหมายไปแล้วความสุขที่ได้จากของที่ซื้อวันนี้หมดไปแล้วเห็นของใหม่มาแล้ว มีรถนุ่นใหม่ออกมาแล้วมีอะไรใหม่ออกมาวความอยากซื้อก็ใหม่อีกแล้วแต่ถ้าทำบุญแล้วมันจะไม่อยากจะซื้ออะไรถ้า ซ, ซื้อก็ซื้อของจำเป็นเท่านั้นเช่นเสื้อผ้ามันขาดใส่ไม่ได้แล้วไม่มีใส่รองเท้ า, ามันขาดต้องซื้อใหม่อะไรถึงจะซื้อถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ ม, มีความอยากซื้อ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 ไม่ไปเกิดเป็นได้ราชานไม่ไปเป็ดเปไม่ไปตกนรกนี่คืออนิสงส์งของผู้ที่ทําบุญทําทานไม่ทําบาปนะบาปก็คือการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดตัวเองนี่การพูดปดการดื่มสุรายาเมาอการกระทําเหล่านี้จะทําให้เกิดโทษเกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นแล้วมันก็จะกลับมา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 พอของพวกนี้มันหมดสภาพไปเมื่อไหร่ความสุขทั้งหลายที่เราได้มาก็หายไปหมดมีแต่ความทุกข์เข้ามาแทนที่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ก็ไม่มีความสุขแล้วเวลาร่างกายจะตายก็ก็ไม่สุขแล้วมีแต่ความทุกข์กันเพราะเราอาศัยร่างกายเป็นที่พึ่ง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 เพระมันสบายมันไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเอาเวลาที่หลับนอนนี่ัำสมาธิดีกว่ามาฟังเทศฟังธรรมสร้างปัญญาดีกว่าเอาความสุขทางใจเอาความสงบดีกว่าเพราะความสงบทางใจความเป็นความสุขที่ถาวร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 โดยคิดว่ามันเป็นความสุขนมีใครคิดว่าเงินทองเป็นความทุกข์บ้างทุกคนคิดว่าเป็นความสุขดังนะั้นมีใครคิดว่ามียศสูงๆนี่เป็นความทุกข์บ้างแต่มาลูก็ตอนที่ได้เป็นแล้วเนี่ยทุกเพราะว่าความรับผิดชอบมันมากขึ้นภารกิจการงานมากขึ้นเรื่องราววุ่นวายใจมากขึ้นะ คนที่เป็นตำแหน่งสูงๆนี่แก่เร็วนะผมหงอกนะที่มีตำแหน่งบริหารนี่ปวดหัวมันเรื่องมากมายดูคนที่มาเป็นนายกใหม่ๆเลยผมดำนะาพอเป็นไปไม่กี่ปีนี้ผมหงอกนะหน้าตายเหี่ยวยนนะ่นเพราะความเครียดความเครียดก็คือความทุกขนะ์เครียดกับการงานตำแหน่งสูงมันก็มีความลับผิดชอบมากขึ้น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 อย่างนี้เขาไม่ไม่ประกันเงินด้วยประกันแค่ร้านเดียวจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนดีจะไปทำยังไงไม่ให้มันหดจะทำไงให้มันขยายกินไม่ได้นอนไม่หลับกับเงินนี่แหละวิตกกังลวลเวลาจะตายจากวันไปก็เสียดายจะให้ใครดีใครจะเอาไปเองความทุกข์ต่างๆที่ เกิดจากการมีเงินมีอะไรต่างๆนี่เรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่คิดถึงมันเราคิดแต่ว่าโอ้ยมีแล้วจะได้ใช้มันจะได้ไปย่างงุ่นพอได้มาจริงๆก็เสียดายไม่อยากจะใช้ค่ะทำไปทํามามากลายเป็นปู่โสมเเผ้วทรัพย์ไปก็ได้มาเป็นยามฟ้องเงินทองสิมาเป็นรอปพ ร, รักษาเงินถ้าใช้ก็กลัวหมดใช่ไหม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 สุขอยู่ก็กลับมาเกิดใหม่มาหาร่างกายอันใหม่ก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆแล้เวลาที่ตายไปก่อนจะกลับมาเกิดก็ต้องแวะไปใช้บุญใช้บาปก่อนอีกถ้าอยู่ขณะที่อยู่ขณะที่หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายโดยวิธีมิชอบโดยวิธีทุจริตผิดศีลผิดทรร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 เราก็จะไม่รู้สาเหตุของการเวียนว้ายตายเกิดของพวกเราเราจะไม่รู้สาเหตุที่ทำให้เราต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายทุกขกับลาบยศสรรเสริญทุกขกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่างที่เราทุกขกันอยู่ในขณะนี้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถที่จะหลุดออกจากความทุกข์นี้ได้ถ้าเรามาถือศีลแปดกัน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 สินข้ออื่นเป็นสินรองเป็นระเบียบที่จะทำให้พระดูแล้วสวยงามทำอะไรให้ให้ดูแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่บาดตาบาดใจคนพูดก็พูดจาสุภาพอย่างนี้ไม่พูดคำหยาบแต่มันไม่ได้เป็นบาป ท, ที่รุนแรงร้ายแรงบาป ท, ที่ร้ายแรงก็มีอยู่สี่ข้อเนี่ยคือฆ่ามนุษย์ของพระเนี่ รักทรัพย์ร่วมเสพเมร่ว ม, ร, วมร่วมหลับนอนกับศีกกาแล้วก็อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนโกหกแร้วโกหกหลอกรวมอันนี้ถือว่าเป็นศีลหลักของพระศีลรองก็เนี่ยก็ไม่ไปหาความสุขทางตาหูจบูกลิ้นกาย พระก่อนจะบวชก็ต้องถือศีลสิบก่อนผู้ที่จะบวชพระก่อนต้องบวชเองก่อนต้องถือศีลสิบก่อนก็เหมือนก็ยากโยมถือศีลแปดเนะ่ยศีลแปดกับศีลสิบก็ต่างกันตรงข้อเดียวข้อที่ไม่ให้จับเงินจับทองศีลของโยมจริงๆไม่ใช่ศีแลแปดเนื้อศีลเก้าแต่ก็ข้อข้อข้อเจ็ดกับข้อแปดมารวมกันอันก็ข้อข้ อ, ขอ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 ต้องแตะต้องเงินทองก็เลยไม่ให้ถือข้อนี้ไปธรรมยมที่ถือศีลแปดนี่ถือศีลข้อเก้าข้อของของสา ม, มเณรสา ม, มเณรถือศีลสิบข้อข้อที่สิบก็คือไม่ให้จับต้องเงินทองเพราะเป็นพระเณมีญาติโยมคอยเลี้ยงดูอยู่แล้วถ้าต้องการอะไรก็บอกญาติโยมได้ให้ญ า, าติโยมจัดหาซื้อมาได้ไม่จําเป็นจะต้อง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 จะไม่หาจะไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญตัดสิ่งเหล่า น, นี้ไปพอมาถือศีนแปดก็ไปหาเงินหาทองไม่ได้เพราะให้มามาภาวนามาปฏิบัติธรรมอย่างญาติโยมมาวัด น, นี่มาหาเงินได้ไหมเอาเอาลอตเตอรี่มาขายในวัดได้ไหมเอาประกันมาขายในวัดได้ป่ะมาถือศีลแปดนี้ก็ให้มาหาธรรมมาหาสมาธิมาหาปัญญากัน ไม่ใช่มาถือสินแปดแล้วก็มาขายประกันมาขายเครื่องสําอางผู้ตือถือศินแปดนี่ก็คือผู้ที่เลือกหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายเหมือนนักเหมือนพระเหมือนสา ม, มเณรที่มาบวชนี่ไม่มาหาเงินทองไม่หาราบยศสรรเสริญญาติโยมก็ดันเอาเอายุตมาล่อกับพระอีกเอาตําแหน่งต่างๆมาล่ออีก มาให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอนะำเภอเจ้าคณ ะ, นะะนะจังหวัดเป็นพระครูเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นอะไรกันคอดีคำพวกนี้ควรจะโยนทิ้งไปได้แล้วนะนะมันมามันมาทำลายพระไม่ไม่มาทำให้พระดีขึ้นมาทำให้พระมาทำตัวเหมือนยาบอยใช่ไหอ อ่ามันความหวังดีคือความเขาเรียกว่าความหวังดีแต่ประสงค์ลายคือพระเจ้าแผ่นดินท่านมีความหวังดีอยากจะทดแทนบุญคุณของพระที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบให้เงินทองก็ไม่ได้ก็เลยให้ยศให้ให้ตั้งให้เป็นมันเป็นกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพระนี่แหละมันไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่มีคุณค่าทางเงินทองไม่มีคุณค่าทางอะไร เดินทางมีคุณค่าทางจิตใจให้คนเขาเห็นว่านี่เป็นบุคคลที่พระเจ้าเป็นดินยกย่องสรรเสริญควรจะเอาเป็นตัวอย่างกันแต่สมัยนี้มันไม่ได้ได้แบบนี้มันได้เพราะประกาศวิ่งเต้นกันเป็นเด็กของใครก็เหมือนทางราชการเนี่ยเป็นเด็กของใครผู้ใหญ่ก็เดินออกขึ้นไปทาไมเป็นเด็กของผู้ใหญ่ถ้าลิ้นไม่ยาวก็ไม่ได้ต้องลิ้นยา ว, ยาว มันก็เลยเพี้ยนไปยศของพระทุกวันนี้มันก็เลยเพี้ยนไปเจตนาเดิมดีอยู่มีเพื่อที่จะส่งเสริมพระให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ทำความดีแก่สังคมแต่กลับกายเป็นอย่างนี้กับกายเป็นเป็นเครื่องมือหาลาบใช้แล้วเพราะถ้าใครเป็นเจ้าพระเจ้าขุนนี่เวลาคนทําบุญนี่ต้องทาเยอะ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 ทางร่างกายด้วยเพียงแต่ว่ามันเป็นร่างกายของพบต่อไปของชาติต่อไปปัจจุบันก็จะทําให้ใจเรามีความสุขถ้าเราทําความดีตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายถ้าเราทําบาปนี่นอนหลับจะฝันร้ายตื่นก็ไม่ค่อยมีความสุขเพราะจะมีความวิตกกังวลเห็นตํารวจเดินมาบางทีก็ตกใจว่า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 ใจไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพก็ใจมีความสุขที่ดีกว่าที่เกิดจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบและเกิดจากการใช้ปัญญารักษาความสงบนี้ด้วยการปล่อยวางทุกอย่างเพราะการยึดติดนี้จะจะทำให้ใจไม่สงบจะทําให้ใจวุ่นวาย พ อ, อยึดติดกับอะไรก็อยากจะให้เขาดีอยากจะให้เขาอยู่กับเราพอก็ไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราเราก็เสียใจนี่คือทำขั้นสูงคือการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดทำขั้นต่ำก็คือปฏิบัติเพื่อการเวียนว่ายตายเกิดแต่เวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดีไปเป็นไปเกิดบุญสวรรค์ชั้นต่างๆ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 สงใจเราไปสู่การศึกษาได้หลายระดับด้วยกันจะไปแค่ปป6 ก, ก็ได้ไปแค่มัธยม6 ก, ก็ได้ไปปวชก็ได้ไปปวสก็ได้ไปปริญญาตีโทเอกก็ได้มีทางไปอยู่ที่เราจะไปหรือไม่เท่านั้นเองเราต้องมีไฟต้องมีความอยากไปมันถึงจะพาเราไปได้ถ้าเราอยากจะไปนิพพาน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 กรรมก็คือการกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจอย่างตอนนี้พวกเรามานุ่งเขาหอมเขาเนี่กําลเรากำลังจะไปเป็นพมกันรูเร้เป่าผมไม่เสพกรรมไงผู้ไม่เสพกรมไม่เสพลูกเสียงเกิ่นรดนี้ก็จะไปเป็นพรมแต่ยังเสพลูกเสียงเกิ่นลดอยู่ถ้าถือศีลถ้าถือศีลห้านี้ยังไปเป็นเทวดาเทวดานี้ยังเสพกรรมอยู่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 ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสักรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติคิดชี้ตังปฏิตังตุมหังคิดเปาเมวะสมิจตสซาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถานานิโชติ ระโสยะถาสพีติโยวิวัจฉันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทิขายุโกภะอภิวัตนาสีิทสะนิจังวุทาปจายโนจตารโอธรมมวะทานติอายุวโนสุขังภาลัง มาจากที่ไหนกันอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่เกษตเยี่ใกล้ๆไร่เก่าคันธมาที่เกษพนี่แหลอะอยู่ที่เกษพนันนี้คันธมาอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้แยกเกศอ๋อยกเกศเคยมาหรือเปล่าเคยมาหรือเปล่าไม่เคยมาขรางแรกนะ หลงมาเลย <c oughs> ไม่มาไม่มาค่ะอ๋อเลชวนเข้ามานะอ่าไปปฏิบัตินะ <c oughs> มีใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะตอนช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครฟังแล้วไม่เข้าใจมีข้อกังหากังขาต้องการให้ขยายความอะไรก็ถามได้อพดน้องข้างาเขาากถามาว่าจิตคืออะไรก็เนี่ยคนที่กำลังสั่งให้ร่างกายทำอะไรนี้คือจิต ถ้าไม่มีคนสั่งร่างกายก็ทําอะไรไม่ได้ผู้คิดผู้รู้ผู้สั่งร่างกายให้ทําอะไรต่างๆนี้คือจิตเหมือนคนขับรถยนต์เนี่ยรถยนต์กับคนขับนี่คนเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมรถยนต์ก็ต้องมีคนขับมันถึงจะไปไหนมาไหนได้จิตนี่แหละเป็นคนขับร่างกายเราเอามารับร่างกายเราในขณะที่ตั้งท้องอยู่ในท้องแม่เนี่ย จิตเราก็เข้าไปจับจองเป็นเจ้าของ่ะพอออกมาจากท้องแม่ก็ขับเลยหัดขับก่อนหัดเดินหัดคลานหัดยืนหัดนั่งหัดนอนหัดกินหัดดื่มเนี่ยตอนนั้นกำลังเป็นช่วงหัดขับรถกันอยู่พอขับได้แล้วทีนี้ก็สั่งให้มันไปทำอะไรต่างๆได้นะส่วนใหญ่ก็สั่งไปทำตามความอยากที่เคยอยากมาไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาลาบยศสรรเสริญกัน แล้วพอร่างกายนี้ตายไปคนสังไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตไม่ได้ตายจิตก็เรียกว่าวิญญาณไปเปลี่ยนชื่อเป็นวิญญาณไปคนเดียวกันเปลี่ยนสถานภาพเหมือนจากนางสาวแต่งงานก็เป็นนางไปไอ้แม่ตอนนี้ในหลวงยังเปลี่ยนเป็นสถานภาพไปแล้วไม่ได้เป็นในหลวงอล้ต้องเป็นในหลวงอในหลวงคนใหม่ขึ้นมาแล้วะ ในหลวงต้องเป็นเปลี่นเปลีนปนป่นสถานภาพไปแลก็จิตนี่แหละเป็นตัวที่เราเรียกว่าวิญญาณเวลาร่างกายนี้ตายไปจิตไม่มีร่างกายเราก็เรียกวิญญาณแล้วจิตนี้ก็ส่งกระแสไปหาท้องท้องใครตั้งท้องมันก็ส่งกระแสก็ไปยึดยึดร่างกายในท้องนั้นส่งส่งวิญญาณเข้าไปห้าห้าฉากห้าห้าเส้น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 เนี่ยเรามีสองส่วนมีจิตกับมีมีกายร่างกายนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟเนี่ยเป็นกเกษตรใช่ไหมร่างกายนี้มันมาจากดินน้ำลมไฟหรือเปล่าเหมือนต้นไม้นะตามจริงเรากินน้ําเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยเอาลมเข้าไปหรือเปล่าต้องมีความร้อนรือเปล่ามีแสงแดดหรือเปล่าต้องมีอะมีดินหรือเปล่าร่างกายเนี้มันเอาธาตุดินมาจากไหนจิตนีรับ รับรู้เรื่องจิตชอบชั่อดีไหมครับนั่นแหละตัวรับรู้ก็คือจิตไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่รู้อะไรเลยเหมือนต้นไม้ดีๆนี่เพียงแต่ว่ามีจิตมาสั่งให้มันเคลื่อนไหวได้ทั้งนี่สั่งให้มันออกเสียงอะไรได้จิตเป็นคนสั่งจิตนี้ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีตายไม่ตายไม่มีรูปไม่มีร่างเว น, เ ป, นเป็นเหมือนมนุษย์น้องขน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 มันไม่มีร่างมันจะเคลื่อนไหวได้ยังไงใช่ไหมมันก็อยู่ตรงนั้นแ่ะมันไม่ต้องไปไหนมันเคลื่อนไหวด้วยความคิด่ยจิตเราเคลื่อนไหวด้วยความคิดคิดถึงเมื่อวานนี่ก็ไปอดีตละคิดถึงพรุ่งนี้ก็ไปอนาคตลวคิดถึงกรุงเทพมันก็ไปถึงกรุงเทพมันไม่ต้องไปได้วยตัวมันเองคิดถึงอเมริกามันก็ไปถึงอเมริกาะ มันไม่มีรูปร่างมันไม่มีมันไม่ต้องเคลื่อนไหวมันไม่มีที่ให้มันมันไม่มีตัวมันจะไปเคลื่อนไหวได้ยังไงแล้วที่เราทํากรรมดีกรรมช่วยก็อะไรครับบุญพอทํากรรมดีจิตก็สว่างมีความสุขขึ้นมามันคลามจิตไปเลยมันไม่มันเป็นทันทีเหมือนน้ําเงี้ยน้ําถ้าคุณเอาสองโศกระบอกใส่เข้าไปมันก็คุณภาพน้ําก็เสริมลงไปเรื่อยใช่ไหมถ้าคุณเทใส่ใส่กรองไปมันก็สะอาดขึ้นมาเรื่อย เวลาทำบุญก็เหมือนกับกองน้ำให้มันสะอาดขึ้นเวลาทาบาป ก, ก็เหมือนเอาของสกปรกใส่เข้าไปในน้าให้มันสกปรกมากขึ้นน้ำก็มันก็อยู่ที่เดิมมันไม่ได้ไปไหนจิตก็เหมือนกันที่เปลี่ยนแปลง ก, ก็คือคุณสมบัติของจิต mm hmm. ถ้าทำความดีคุณสมบัติก็จะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าสวรรค์คิด คนที่มีความสุขมากขึ้นมีคุณคคุณคุณณสมบัติก็ดีขึ้นจะจะเป็นคนที่คิดดีคนทําบุญก็จะคิดแต่ดีไม่คิดทําร้ายผู้อื่นก็ตามจิตภาในพบหน้าชาติหน้าด้วยใช่ไหมมันก็อยู่ในจิต ท, ทันทีมันไม่ได้ตามะมันเปลี่ยนมันเป็นทันทีตอนนี้คุณทําบาป ค, คุณก็เป็นเดรัจฉาน ท, าทันทีร่างกายเป็นยังเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตของคุณเป็นเดรัจฉานไปแล้วถ้าคุณอาฆาตพยาบาท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 โดย่จะพูดแบบเปรียบเทียบก็คือก็เหมือนกับจิตอยู่ในคอนโดเนี่ยคอนโดมันก็มีหลายชั้นใช่ไหมเวลาทําบุญมันก็ขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเวลาทําบาปมันก็ลงมาต่ํำลงมาเรื่อยๆจิตของเราเนี่ยมันสุขมากขึ้นหรือทุกมากขึ้นเฉะนั้นสุขมากขึ้นก็เรียกสวรรค์ทุกทุกมากขึ้นก็นรกอาบาย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 เราทําความดีไปเรื่อยๆก็มีความสุขสบาปที่ทําไปแล้วก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะก็มันมาตีกันมาแย่งกันไงเวลาทําบาปก็ไม่สบายใจเวลาไปทําบุญมันก็สบายใจขณะที่มีชีวิตอยู่มันก็สลับไปสลับมาได้แล้วอไก็อย่าทําบุญอย่าทําบาปเอยมาปฏิบัติธรรมมาบวชเนี่ย หยุดทำบุญหยุดคนมาบวชนี่เขาไม่ได้ไปทำบุญแล้วเขานั่งสมาธิเขาตัดกิเลสตัดความเขาไม่ทำบาปก็ไม่ทำบุญคนมาทองนี้คนคนบวชจริงๆพระทำบุญนี่นะพระไม่ได้ใส่บาตรไม่ใช่พระมีแต่มีแต่บิณฑบาตนะเราปลูกเกษตรหรือามีการฆ่ามแมลงอย่างนี้นะ ค่าก็บาปสิย่าถ า, ามอะไรทำไมบาปก็บาปมันจะไปบอกมันมีเหตุผลอย่างอื่นไม่ได้เราเราต้องไปบอกถามมาแรงวนะ่ากูฆ่ามึงแล้วมึงยอมยอมให้กูฆ่าไหมมันก็ไม่ยอมอะ่ะถ้ามมันรู้ว่าใครมาฆ่ามันมันก็จองเวรจองกรรมเลยในเราก็ต้องปานองก็อย่กไปทําอาชีพที่ไม่ต้องปานาสิใช่ไหมถ้า <c oughs> เราเราไม่ได้ทำแต่เราเราเป็นคน สอนวิชานี้่ยแต่สอนก็มันก็บาปเหมือนกันสอนให้เขาทาให้เขาไปทําบาปมันก็บาปเหมือนกันมันก็สั่งเขาให้ไปทำท่านเจ้าคะถา อ, อผู้ชายที่มีความจําเป็นจะต้องบวชเรียน ท, ทุกคนหรือเปล่าคะไม่มีใครมีความจําเป็นต้องบวชเรียนอยู่ที่ความอยากของเขาถ้าเขาเบื่อกับการเวียนว่ตายเกิดเขาก็ไปบวชกันเขาไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเขาก็ไปบวชกัน คนที่ยังกลับ ม, มาเกิดแก่กเจ็บตายอยู่ก็ไม่ต้องบวชให้เสียเวลายังอยากจะกลับ ม, มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่หรือเปล่าถ้ายังอยากอยู่ก็ไม่ต้องไปบวชก <com> <k> <k> ็ทําบุญรักษาศีลห้าก็ทําบุญก็พอตายไปก็ไปไปเป็นเทพกลับมาจากเทพก็มาเป็นมนุษย <com> <k> ์ใหม่ก็ทํานี้ไปได้เรื่อยๆ จนกว่าจะเบื่อความแก่ความเจ็บความตายไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็ต้องไปบวชเพื่อไปหยุดความอยากความอยากทําให้เรากลับมาเกิดกันพอมีความอยากก็ต้องมีร่างกายใช่ไหมอยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูก็ต้องมีร่างกายถ้าไปบวชไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิความอยากดูอยากฟังมันก็หายไป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 ยังเป็นความรู้ทางธรรมที่เป็นประโยชน์มากกว่าความรู้ทางโลกเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้จักผิดถูกดีชั่วจะทําให้เรารักษาชีวิตของเราไม่ให้ตกไปอยู่ในสภาพที่ชั่วร้ายที่มีแต่โทษกับเราเขาก็บวชกันบวชเพื่อจะได้เป็นคนดีพูดง่ายๆสมัยโบราณก็บวชกันเพื่อให้เป็นคนดีเท่านั้นแหะ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 เดระฉานมันจะไม่รู้ไม่ได้คิดคำว่ากอดชายพระหลือบางอ่มันเป็นแม่ได้กอดชายพ้าเรืองของของลูกชายที่ได้บวชอ๋อก็ได้ไปวัดไงไปรำลูกบวชแม่ก็ไปต้องไปเยี่ยมแม่ก็ต้องไปเยี่ยมลูกที่วัดไ yep. ง <c oughs> ก็ได้ไปวัดไงไม่ใช่ว่าแบ่งบุญไหมอ๋อไมเ่เราก็ต้องไปเราก็ไปวัดเราก็เราก็ากไปทําบุญให้กับลูกไ <c oughs> งพอลูกบวชเราก็อยากไปใส่บาตรกับลูกไว้ใหะ ก็สายลูกเป็นเป็นตัวดึงแล้วเข้าวัดเนี่ย mm. พอมาวัดได้สายบาต mm. ก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมจากพระอกีก mm. แล้วเห็นคนอื่นเขารักษาศีลนุ่งขาวของเขาก็อยากจะปฏิบัติตามเขา mm. ก็เลยได้ปฏิบตัติก็เลยได้ไปสวรรค์กับลูกเ mm. พราะลูกก็บวชแม่ก็ลูกบวชตามแต่แม่บวชชั่วคราวลูกบวชยาวหน่อย mm. แต่แม่เนี่ยนบางทีบางคนลูกมาบวชสิบห้าวัน แต่แม่เนี่ยหลังจากหลังจากลูกศึกไปแล้วมากก็มาอยู่เรื่อยๆมามาอยู่เรื่อยๆเพราะติดใจเมื่อก่อนไม่เคยมาแต่พอมาแล้วได้สัมผัสกับความสุขทางธรรมก็เลยติดใจลูกสึกไปหลายปีแม่พ่อแม่ก็ยังมาวัดเป็นประจําอยู่อั น, นอาศัยาชายผ้าเหลืองของลูกพาให้แม่ได้ขึ้นสวรรค์กันเพราะการทําบุญรักษาศีลนี่ก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วล่ะถ้าไม่ได้มาวัด อ, อาจจะคิดว่าบุญไม่มี สวรรค์ไม่มีก็เลยไม่กลัวบาปทํามากินบางทีก็ต้องพูดปลดบ้างบางทีต้องโกงบ้างใช่ไหมมันก็เลยทำโดยที่ไม่คิดว่าไม่มีปัญหาคิดว่าตายไปก็ไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปตายไปแล้วก็จบพอมาวัดก้วได้ฟังเทศฟังธรรมได้รู้ว่าตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรายังต้องไปรับบุญผลบาปต่อไป ก็จะทําให้เรากลัวบาปอยากจะทําบุญไม่กล้าทําบาปเพราะเราไม่ทําบาปเราก็ไม่ต้องไปอบายไม่ต้องไปนรกความจริงคำว่าไปไม่ถูกมันไม่ได้ไปแล้วมันเป็นอยู่แล้วมันไม่เป็นอบายมันไม่เป็นนรกมันไมเป็นใจนี่เป็นตัวเป็นตัวที่เป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นเดชะชานเป็นเทวดานี่คือตัวใจเป็นทันทีในขณะที่เราเนี่ยตอนนี้เราเป็นพรมกันแล้วมาถือศีลแปกกันตอนนี้ก็เป็นพรมกันละ พอเราไม่เสบการามแล้วใช่ไมไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสแต่เป็นเป็นเป็นพรมชั่วคราวเนี่ยเสียพอสึกไปก็กลับไปเป็นเทพต่อไปไปเศษการามต่อไปดูทีวีไปฟังเพลงต่อตอนนี้ตอนเป็นมนุษย์แต่ยังขึ้นขึ้ น, นลงๆได้อยู่ถ้าเผลอไปตีมดไปตบยุงเข้าก็ไปเป็นอบายซะก่อนไปเป็นเดรัจฉานซะก่อน แล้วบุญกระ บ, บาปที่เราทำมันก็จะยังสะสมอยู่ในใจเราอยู่พอเราร่างกายนี้ตายไปเวลานั้นบุญกระ บ, บาปมันก็จะมามาสแสดงผลกันละฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็สแสดงผลก่อนถ้าบาปมีมีมีกำลังมากกว่าบาปก็สแสดงผลก่อนความทุกข์ต่างๆก็จะออกมาเป็นขบวนเลยถ้าบุญมีความมีกำลังมากกว่า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 ไม่เป <aram> <isode> ็นเดรัจฉานมันก็มาเป็นมนุษย์กันแล้วก็มาทําบุญทําบาปกันใหม่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดินการเรามาหยุดทําบุญทําบาปด้วยการไปบวชไปบวชไปนั่งเฉยๆนั่งทําสมาธิหยุดความอยากต่างๆตัดความอยากต่างๆท่านจารย์ยังไงกับคนที่เชื่อว่าตายแล้วสู้ก็ปล่อยเข้าไปอย่ยังไม่เชื่อ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 แต่อีกสามพวกนี้พวกที่บัวกลางน้ำบัวปริ่ม น, น้ําแล้วบัวเหนือน้ําเนี่ยพวกนี้จะเป็นวพวกบัวที่จะมาเจริญติบโ ต, ตขึ้นมาได้จิตใจของผู้ที่จะเจริญก้าวหน้าได้นี้ต้องมีศรัทธาความเชื่อในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นความจริงถึงแม้เราไม่เหนเ็นด้วยตาของเราเองเราต้องเชื่อคนที่เขาเห็นแล้ว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 มีพราจารยท่านหนึ่งนะคะบอกว่าดีที่ที่ดีที่สุดก็คือการเจริญของทาจะดีมากกว่าการทําทานการบริจาคเอง <Yeah. S 2> ใช่หรือเปล่าคะมันก็เหมือนกับปริญญาตรีมันก็ดีกับมัธยมหกใช่ไหมแต่ก่อนจะไปปริญญาตรีได้มันก็ต้องผ่านมัธยมหก่อน ไม่ใช่อยากได้ปริญญาตีก็ไปสมัครเข้ามหาลัยเลยโดยที่ยังไม่ได้เรียนมัธยมหกมันก็เข้าไม่ได้ความรู้ไม่ถึงความสามารถไม่ถึงคนจะภาวนาได้ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนคนจะรักษาศีลห้าศีลแปดได้ต้องทําบุญทําทานให้ได้ก่อนถ้ายังโลภอยากได้เงินอยู่จะไปรักษาศีลห้าได้ยังไงแต่ยังอยากได้ลาบยกจันละเสริญอยู่ ก็จะโกงจะคอร์รัปชันเฉพาะจะได้เงินได้ทองได้ตําแหน่งอะไรต่างๆก็ไม่สามารถที่จะไปรักษาศีลห้าได้รักษาศีลแปดได้เมื่อรักษาศีลแปดไม่ได้จะมาอยู่วัดได้ยังไงคนที่ชอบเที่ยวชอบกินเหล้าจะมาอยู่วัดได้ยงไงก็ภาวนาไม่ได้มันเป็นขั้นไงมันถึงแมว่าจะดีกว่าดีที่สุดแต่มันมันยากที่สุด บุญที่ดีที่สุดมันยากที่สุดเหมือนกัของที่มันแพงที่สุดก็ต้องของดีที่สุดมันก็แพงที่สุดเนี่ยจะซื้อรถเบนที่ซื้อรถราคาแพงแพงมันก็ราคาสูงอ่ะถ้าซื้อรถราคาถูกมันก็เงินก็ไม่ต้องใช้มากแตซื้อปิกัมันก็ห้ากแสนซื้อเบนคันหนึ่งก็สองสามล้านอย่างเงี้ยมันก็ใครไปว่ารถเบนไม่ดีไงรถเบนมันก็ต้องดีกว่ารถปิกัาปน แต่คุณมีเงินซื้อหรือเปล่าไม่มีคุณมีเงินแค่ซื้อปิกาปูคุณต้องซื้อปิกาปูไปก่อนะแล้วค่อยหาเงินเพื่อจะได้เก็บเงินเก็บทองไป จ, จนกว่าจะมีเงินซื้อรถเบนก็ค่อยไปซื้อรดเบนก่อนที่คุณจะมาภาวนาได้คุณก็ต้องรักษาสีนแปดให้ได้ก่อนก่อนจะรักษาสีลแปดได้ก็ต้องรักษาสีหน้าให้ได้ คนที่รักษาสี่ห้าได้ก็ต้องเป็นคนที่มีความเมตตาคนใจบุญสุนทานชอบทําบุญทําทานถ้าเป็นคนไม่มีความเมตตามีความโลภมีความอยากได้มันก็จะไม่ไม่ชอบทําบุญดันั้นมันก็อย่างที่เมื่อกี้บอกตอนต้นบอกว่าบุญมันขั้นๆไงเป็นเป็นสองสองขั้นใหญ่ๆก็คือขั้นรักษาศี่ห้ากับการทําบุญทําทาน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 ขั้นที่สองก็คือขั้นนักบวชตอนนี้เราบวชได้หรือยังนะเราบอกภาวนาได้ทําไมไม่บวชกันนะเห็นไหมภาวนาดีกว่าดีก็ทําทบุญทําไมไมภ่ภาวนากันนะคิดว่าภาวนาวันละครึ่งชั่วโมงนี้พอไม่ใช่อันนั้นไม่ยังไม่ได้ภาวนาอันนั้นเป็นการเหมือนกับหัดภาวนาคนที่ภาวนาจริงๆก็ต้องทําตลอดวันตลอดคืนนอกจากเวลาหลับเท่า น, นั้นะถึงจะเรียกว่าภาวนาถึงจะได้บุญแบบนั้น ถ้ามานั่งสมาธิบรรดาครึ่ชงชั่วโมงอย่างันนี้ยังไม่ได้บุญหรอกเพียงแต่หัดทําเท่านั้นเองแล้วยังทําำนั่งก็ไม่ค่อยได้ผลอะไรนั่งไปก็สับประหกหลับมากนั่งบางทีก็จิตฟุง้งซ่านไม่ไม่สับประหกก็ฟุ้งซ่านไปจิตไม่ใครรวมสักครั้งหนึ่งมันมันยังไม่ได้ผลมันจะได้ผลจิตมันต้องรวมเป็นสมาธิเป็นฌานนั่นแหละถ้าเรียวกว่าได้ผลจากการภาวนา แอ่บางคนอยากชอบหลอกตัวเองเสียดายเงินไม่อยากจะทำบุญทำทางนั่งสมาธิได้บุญมากกว่าก็เลยนั่งมาตั้งครึ่งชั่วโมงอ่าก็หลอกตัวเองมขใาใจไหมถ้าเผื่อเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสามัญชนทั่วไปแล้วเราก็รักษาศีล สมาธิดูแบบปกติสามัญชนทั่วไปไม่ได้มาบวชเป็นพระไม่ได้มาเจริญภาวนาเนี่ยก็ก็เป็นกุลก็เป็นนักบุญไงเป็นเทวดาไงเป็นเทวดาเป็นได้แค่เทวดาสูงสุดแค่แั้นเทวดาถ้าเติมีความถอใจมีความสุขก็ก็เป็นเทวดาตัวนี้เนี่ยทำบุญกับไม่ทํำบาปนี่ก็ได้เป็นเทวดาแต่ก็อย่าเก็บเป็นปลาเป็นลมก็ต้องไปนั่งสมาธิเที่ยวสวนแปะถือว่าเป็นกิเลส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 เพามันมีทุกตามมาปีการที่เราเป็นครูเป็นหมอเป็นตำรวจทหารถ้าเกิดเราอยู่ในศีลธรรมเนือทอาใช่ทำบุญท<ำ>ําทานตามโอกาสอยู่ใ น, ใ น, ใ, นในบทบาทแบบนางีมันก็มีโอกาสจะเอื้อการทาประโยชน์ให้กับผู้คนได้ได้ได้เหมือนกันได้ก็นั้นก็เป็นการทําบุญเนี่ยการทําประโยชน์ให้กับผู้คนไม่ต้องอาจจะไม่ต้องใช้เงินทองก็ได้ ฉันให้วิชาความรู้นี้ก็เป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นการทําบุญแบบหนึ่งการให้ทานแบบะระดับเทวดาสระดับเทวดาสพอแล้วเหรอนั่นสินถึงบอกว่ามันบัวมันมีหลายระดับเนี่ไงบัวระดับอบัวระดับกลางงามเขาก็พอแค่นี้ละเขาได้ทําบุญรักษาศีล กลัมาเวีนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆเขาก็พอแต่ต่อไปเข้าเบื่อเขาก็อาจจะพัฒนาขึ้นไปเองต่อไปอาจจะแก่ลงไปเวลาใกล้จะตายเนี่ยอาจจะให้คุัเบื่อละกลัวความแก่ความเจ็บการ ต, ตายตอนนั้นก็จะไปวัดกันแล้วคนแก่มักจะเข้าวัดกันในชะ่ไหมเดี๋ยวพอคุณกเกษียณแล้วคุณไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็เพื่อนฝูงก็ตายกันไปคนละคนสองคนงานต่างๆเคยไปเที่ยวไหนก็เดี๋ยวนี้ไปก็ไม่สนุกแล้วถูตาก็ไม่ดีไปวัดดีกว่า ไปนั่งสมาธิไปถือสิลแปดดีกว่าเดี๋ยวมันก็เลื่อนขึ้นไปเองเึงแต่ว่ามันจะสายเกินเกินแก้แก้แล้วไ ม, ไม่ไม่ทันเวลานั้เราอยากจะให้มันจบม้วนเดียวจบมันต้องบวชตั้งแต่หนุ่มเลยตอนนั้นร่างกายมันแข็งแรงมันทําได้มีเวลาเยอะแยะถ้ามาทําตอนที่เกษียณแล้วหกสิบแล้วค่อยมาทำเนี่ยเรี่ยวแรงมันก็ไม่ค่อยมีอภิญยาไม่อนุญ <laughs> า ท่านคะการที่ชายกับหญิงจะมาเป็นคู่กันเนี่ยจำเป็นต้องมีสีเสมอการไหมคะไม่หรอกมีมีกามเท่ากันมีความอยากครับมีความอยากเสพกามเหมือนกันที่อ่านในหนังสือเขาบอกจะต้องมีสีลเสมอแล้วกันไม่จําเป็น ห, <ม>หรอกไม่จําเป็นหรอกต่อมายถึงคนที่เคยรักกันแล้วมาเจอกันใหม่เนี่ยไม่ไม่อ น, นแบบว่าต้องทําบุญเท่าๆกันมาถ้าเป็นเหมือนรถยนต์สองคันขับมาเนี่ต้องขับความเร็วเท่ากัน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 หรือว่าจะมีอะไรที่เป็นตัหักเขที่ทําให้เราตัดสิใจได้เร็วขึ้นก็ความทุกข์นี่แหละการสูญเสียความ ส, ส, สุขไปเมื่อไหร่มันก็จะมันก็จะเกิดจุดหักเข็ขึ้นมาเสียคนลักไปเสียสิ่งที่เราลักไปหรือเป็นโรคหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บหมอบอกเป็นมะเร็งนี้รักษาไม่ได้เหลือ อ, อีกหกเดือนเนี้ตอนนั้นอาจจะไปบวชไปอยู่วัดหกเดือนอะไรก็มี อย่างมีลูกศิษย์หนงตาคนหนึ่งท่านเขาก็เป็นโรคมะเร็งเนียหมอบอกว่าอยู่ได้หกเดือน <c oughs> เขาก็เลยไปอยู่วัดเลยมันต้องมีจุดหักเหมันต้องมีความทุกข์เมื่อมันรู้ว่ามันพึ่งสิ่งต่างๆที่เราเคยให้ความสุขกับเราไม่ได้แล้วทีเราก็ต้องไปหาสิ่งที่เราให้ความสุขกับเราได้ก็คือทำเนี่ยการปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็ซ้อมไว้ก่อนตอนนี้อ่าตอนนี้ ก็ยังดีก็เลยว่าไปซื้อที่ไว้ก่อนไปปลูกบ้านไว้ก่อนแต่ยังไม่ไปอยู่พอบ้านเก่าพังก็จะได้ย้ายเข้าไปสู่บ้านใหม่ได้ตอนนี้มันมีความสุขอยู่มันไม่ไม่มีไม่มีความอยากจะไปปฏิบัติเพราะปฏิบัติแล้วมันทุกข์เนี่ยพราะมันต้องทิ้งความสุขที่เรามีอยู่ไปใช่ไหมถ้าถ้าโยไม่ได้มานี่ป่านนี้ก็นั่งดูทีวีนั่งดื่มเหล้านั่งกินกาแฟนั่งกินขนมอะไรไป อยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปได้ทำว่าเล่ามาอยู่วัดนี่มันก็อึดอัด จ, จะทำอะไรก็ไม่ได้ต้องสวนมนต์อย่างเดียวฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวมันก็เลยไม่อยากมากันหยุดหักเหกันยังก็คือถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตสงบได้อันนั้นมันก็จะหักเหได้ไม่ต้องเจอความทุกข์ก็ได้แต่บางทีก็ต้องเจอความทุกข์ถ้าไม่เจอความสุขก็ต้องเจอความทุกข์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 เป็นจุดหักเหได้แล้วว่าท่านมีปัญญาท่านคิดว่าตอบไมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วท่านก็เคยได้พบกับความสงบตอนที่ตอนตอนที่เป็นเด็กตอนอยู่ตามลำพังจิตเคยสงบก็เลยเห็นว่าความสงบนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีดีกว่าเพราะไม่ต้องอาศัยร่างกายก็เลยตัดสินใจออกบวชได้ฉะนั้นคนเราต้องมีจุดหักเหมีจุด มีจุดมีเหตุจุดประกายให้ให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นแสงสว่างเห็นทา ง, งใใที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่ามันยากง่ายไงรักษาร่างกายนี่รักษาที่บ้านก็ได้รักษาที่โรงพยาบาลก็ได้ที่ไหนมันดีกว่า รักษาโรงพยาบาลนี่มันเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมหมอพร้อมยาพร้อมรักษาที่บ้านมันก็มันไม่พร้อมอใช่ไหอรักษาสินแปะเราเราซื้อสินแปะคนอื่นเขาไม่ถื้อด้วยเดี๋ยวเขาก็เปิดเพลงฟังเขาก็เปิดทีวีดูเขากินข้าวเย็นดีไม่ดีมาชวนเราด้วยไม่กินชวนเดียวชวนด้วยอดไปทําไมทรมานไปทําไม เดี๋ยวเรก็ทนไม่ไหวเกรงใจเขากิเลสมันก็มักจะเอาว่าเกรงใจเขาก็รักษาไปไม่รอดนะแล้วรักษาสิญปัอย่างเดียวไม่ไม่มันต้องรักษาด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยมันมันเป็นของคู่กันรักษาสิญปัเพื่อให้เราได้มีเวลามาปฏิบัติถ้าเรารักษาสิญปัแล้วไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่แล้วก็ยาก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 แต่ถ้าก็เปิดทีวีดูแล้วก็นั่งสมาธิของเราไป mm hmm. ก็ไม่เป็นไรนั้นผู้ที่ถือศีลแปผู้ที่มาบวชนี่ mm hmm. เขาต้องปฏิบัติ ด, ด้วยมันถึงจะเจริญก้าวหน้าศีลแปเป็นเหมือนกับเป็นผู้ที่คอย mm hmm. เป็นหล่อปภป้องกันไม่ให้สิ่ง อ, งอื่นมารบกวนใจเพื่อ ใ, ใจจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แต่ถ้ามีเวลาปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไม่คืบหน้ามันก็ไม่ก้าวหน้า ตอนรักษาสิ้นแปะนีย้ยังไม่ได้เป็นพรมนะจะเป็นพรมได้ต้องจิตสงบเท่งนั้นถ้าเราไม่ไม่ไม่สามารถจะนั่สมาธิเราเราเจริญสติคือกันก็ต้องเจริญสติก่อนเไยพอมีสติแล้วก็จะนั่งได้ที่นั่งไม่ได้เพราะไม่มีสติพอนั่งแล้วอึดอัดฟุ้งซ่านแสดงว่ามันไม่มีสติควบคุมความคิดนั้นขั้นต้นเราต้องมาควบคุมความคิดก่อนด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไป เดินทําอะไรอยู่ตลอดเวลาพุทโธไปเรื่อยๆแล้วจิตว่างเยน็นสบายแล้วทีนี้มันก็อยากจะนั่งเองก็มันนั่งแล้วไม่อึดอัดนั่งแล้วสบายนั่มีสติแล้วนั่งจะสบายแต่ถ้านั่งแล้วอึดอัดฟุ้งซ่า น, นแสดงว่าไม่มีสติเลยนั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์นั่งไม่ได้ต้องฝึกสติก่อนจเจรินสติก่อนต้องหมั่นบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆอย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆ พอใจไม่คิดแล้วใจเยาว่างเย็นสบายตอนนั้นเน่ะอยากจะนั่งเฉยๆล่ะเพราะนั่งมันสบายกว่าเดินนั่นเยอะแยะที่มันเดินเพราะมันยังเครียดอยู่มันยังปรุงแต่งอยู่มันยังอยากทํานู่นทำนี่อยู่มันอยู่เฉยๆไม่ได้แต่พอจิตมันไม่มันไม่อยากทําอะไรแล้วนี่มันก็อยากจะนั่งเองะก็ถือเป็นบทที่หนของการปฏิบัติใช่ต้งฝึกสติก่อนต้งเจริญ จะทํากิจกรรมอะไรรู้สึกตัวแล้ือว่าเราเลิกตัวนะใช่ไหมคือให้อยู่กับงานที่เราทำแล้วอยู่กับพุโทโธอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หยุดความคิดแก่เป้าหมายของการเจริญสติก็คือการหยุดความคิดถ้าเราไม่คิดก็แสดงว่าเรามีสติถ้าเราคิดก็แสดงว่าเราเผลอและไม่มีสติมันแล้วงั้นเราต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนพอหยุดความคิดได้ใจจะเบาสบายความอยากต่างๆมันจะ หายไปเราก็จะทำให้อยากจะอยู่เฉยๆก็จะนั่งได้นั่งแล้วสบายกว่าเยอะจะปล่อยให้ทางบ้านถามบ้างไหมเรืมม่ยยังมีใครอยากจะถามไหมว่าปักถามที่ศาลาแล้วก็ปฏิบัติเช้าถามเช้าจะถามเอ้าเอ้าเอาก่อนคำถามปากถามที่ศาลานะคะถ้าเราไปเจอโยมกำลังใส่บาตรนะตอนเช้าตบนถนน เราขับรถผ่านแล้วเรายกมือสาธุเราจะได้บุญด้วยไหมคะบุญนี้ก็ทำเราไม่ได้แล้วเราได้เพียงแต่บุญที่เราเกิดจากการสาธุเท่านั้นเองคือเราเราก็ชื่นชมยินดีได้ความชื่นชมยินดีไปเท่านั้นดีกว่ามหมั่นไส้บางคนเห็นเขาก็ทําบุญแล้วหมั่นไส้ด้วย <c oughs> อ, อิจฉาริษยาหรือบางคนไม่ชอบศาสนาเห็นคนทําบุญแล้วกลับไปว่าเขาโง่มงมงายอะไรพวกนี้แทนที่จะได้ความสุขใจกับ ได้ความไม่สบายใจได้ความลำคาญใจจากการที่ไม่ได้อนุโมทนาเท่นั่นเองการอนุโมทนานี้เพื่อกำจัดความคิดที่ไม่ดีที่เกิดจากการเห็นคนอื่นก็ททำประโยชน์ทาความดีแล้วไปอิจฉาริษยาหรือไปมองว่าเขาโง่ทู่เราไม่ได้โกงเราได้เยอะแยะพวกนี้โง่ทำความดีแล้วไม่ได้อะไรอันนี้คือเาคือผลที่เราจะได้รับจากการสาธุอนุโมทนา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 เดี๋ยวการอภาษาไทยให้หมดก่อนเว้ยหมดหมดแล้วโอเค c a n hear c a n hear louder speak louder is it possible to uh, summarize the Dharma talk or part of it in English no s not <S no possible. not possible I'm tired I cannot remember what I said okay. you have to ask somebody else By someone who's experiencing anger towards someone to help h e m come out of it. Well, when you when when you are angry, you are hurting yourself. The one who you are angry with doesn't get hurt from your anger. You're the one who hurt yourself when you're angry, because you become you become hot, you become. Yeah, Mm -hmm. Agitated, you c a n you can't, you know, do anything properly when you're angry. Yeah. So you lose your balance, you lose control of yourself. So you have to see that it is bad for you to get angry. Once you can see that anger is harmful to you, then you can stop it. But if you if you don't see that it is harmful to you, then you will not be able to stop it. And the cause of your anger arises from your desire. You want to get something, and you cannot get it because somebody else block it. Then you get angry at that person for blocking your desire. But if you have no desire, then you will not get angry at anybody. So if you don't want to get angry, then just don't have any desire. Or if you have desire, you have to. Make sure that you can take it or leave it. If you want something, if you can get it, okay. If you don't get it, okay. Then you will not get angry. Or when you get angry, you want to stop it. You can use the mantra, keep repeating, reciting, "Bhuto Bhuto b u t o If you don't think about what makes you angry, then after a while you'll forget, and then your anger will disappear. But if someone makes you angry, angry at you, or make you angry, you have to look at because you want them, him or her, to do something for you, and they don't do it, so you get angry at him or her. But if you don't have any desire for him or her to do anything for you, then you would not get angry if they don't do it for you. Okay. หมดแล้วมั้เหนื่อยแล้ววันนี้วันนี้ทางบ้านก็ขอยยุกขอเว้นไว้ก่อนวันหนึ่งน ะ, ะวันนี้ก็พูดยาวพุดนมากด้วยวันนี้รู้สึกก็ขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ